5 4 3สี่สามสองเริ่มได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะนี่คือรายการสันสนีสนทนานะคะช่วงที่ผ่านไปพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปรพงลำลูกกาคลองสิ์ค่ะซึ่งที่นั่นจะมีทอดกระถิ่นวันที่ส6หตุลาคมและสำหรับที่จะมาฟังกันต่อไปก็เป็นพระภัยบุ์อภิปุณโ น, นะคะในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะจากวัดป่าดอนายโซ จังหวัดอุดรธา น, นีค่ะนำ้ำมัสการ์ค่ะจชาเชิญพอค่ะเมื่อกี้ประกาศทอดกระถินวัดนาไปแล้วตอนนี้วัดป่าดอนหายโศกก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาคมเดือนเดียวกัน23สามตุลาค ม, มนะคะกระถินนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆของพระสงฆ์ถูกไหมคะก็ในปีหนึ่งจะมีช่วงเวลาที่จะรับทานในลักษณะนี้ได้ก็หนึ่งเดือนเท่านั้นเองค่ะพูดถึง เจตนาที่สําคัญที่พระพุทธองค์อนุญาตให้มีการรับผ้าตะถินเนี่ยเจตนาคืออะไรคะก็อยู่ที่ต้นบัญญัติที่พุทธชาได้บัญญัติการกระทําอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่สมทานการถือผ้าทุดงนะคือผ้าเขารียว่าผ้าเปื้อนฝุ่นนะเขาเรียกว่าผ้าอะไรบางสกุลอ่าเป็นปกติกลุ่มนี้พอออกพรรษาแล้วเนี่ยถนนหนทางอะไรมันก็ยังไม่เรียบร้อยมันยังเปียกอยู่นะ ก็เดินทางกันมาเพื่อจะมาพบพระพุทธเจ้าแหละจะมาฟังทำผ้าเพื่ออะไรก็เลยเปียกบ้างขาดบัง้งพุทธเจ้าก็เลยอาศัยอันนี้เป็นเหตุในการที่จะบัญญัติว่าเอาทั้งนี้แล้วกันในช่วงหลังออกพรรษาแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงนี้ให้รับผ้าที่ร่วมกันทําขึ้นมาเองได้อย่างนี้ก็จึงเป็นเหตุให้มีการบัญญัติเรื่องกระถิน่นเหตุเพราะว่าผ้าสกปรกเก่าใช่ไหมคะให้ ให้มีกระถิ่นได้ใช่ใชค่ะและปีนึงมีได้ครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามากกว่านี้ไว้ถามวันอื่นนะคะเพราะว่ายังมีเวลาสําหรับที่จะต้องใช้ในการที่จะเล่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ต่อค่ะจ้าวันนี้มาถึงตอนที่เรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าลักษณะคําสอนมีลักษณะอย่างไร <c oughs> คือการสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็มีการฝึกที่เป็นลําดับลําดับ พราผู้เช่าเคยเปรียบเทียบกับการฝึกของช้างนะคือช้างเนี่ยเมื่อจะได้รับการฝึกแล้วต้องฝึกให้รู้จักกับควานช้างซะก่อนแล้วก็ฝึกอาการให้ลุกขึ้นยืนลงนั่งนะฝึกอาการที่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าให้ทนต่อเครื่องอ่เขาเรียกวอาวุธที่จะพุ่งเข้ามาในเวลาออกรบมานะค่ะแล้วก็ให้รู้คาสั่งของควานช้างให้รู้ว่าวิธีการ ไปข้างหน้าถอยกลับอะไรต่างๆยังไงนะนี้คือการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าเคยเปรียบเส ม, มือนการฝึกมา้าในะที่ว่าจะต้องสวมบังเหียนก่อนนะเอามาผูกไว้ให้มันปรบัปรบปรายพยศของมันก่อนสวมบังเหียนเข้าแล้วฝึกให้รับคําสั่งเดินหน้าถอยหลังเยี่ยวตัววิ่งเร็ววิ่งถอยหลังอะไรต่างๆอย่างนี้นะก็ะเปรียบเส ม, มือนกับการฝึกของภิกษุคือสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือว่าให้ฝึก ให้รู้เรื่องศีลก่อนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยามาก่อนเลยในศีลสมาธิปัญญาแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เป็นผู้ที่สรุมอินทรีย์คือปิดกั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ให้เป็นผู้ที่รู้ประมาณในอาหารรู้ประมาณในโภชนะจากนั้นก็จะฝึกให้มาเป็นผู้ที่รู้จักทําความเพียรในการดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดทั้งวันนะคืนหนึ่งอาจจะนอนสักหน่อยหนึ่งก็พอนอนแค่ยามเดียว แล้วก็มาฝึกให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มาฝึกให้เป็นผู้ที่เสพเสนาะสนะอันสงัดเข้าสมาธิขั้นต่างๆได้นะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอระหันต์หรือในอีกในยันหนึ่งผู้ชายกาเคยพูดว่าศีลกับปัญญาเนี่ยจะต้องมาคู่กันเพราะในอริยมรรคมีองค์แเราก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นปัญญาขึ้นมาก่อนคือสมาธิธใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของการฝึก ที่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับลําดับเหมือนกับสมัยปัจจุบันเรามีปหนึ่งก็มีปสองปสามขึ้นไปอย่างเงี้ยนะก็คืออันนี้ตรัสเล่าเอาไว้เลยว่าการที่ท่านจะฝึกสาวกเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อนนะคะใช่ใช่อ๋อศีลแล้วก็สํารวมอินทรีย์แล้วก็การกินใช่ไหมคะดูจักประมาณในอาหารทําความเพียรคืออย่างอย่างอย่างพระใหม่ที่มาบวชใหม่อย่างเงี้ยคุณยมติว อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องให้เขารู้จักเรื่องศีลก่อนศีลนะสี่ข้อประรชิกสีข้อเนี่ยห้ามผิดเลยเแล้วก็ข้ออื่นๆเราต้องให้เขารู้จักเพิ่มเติมเสร็จแล้วอย่างพราะนิมฉันมือเดียวอะ่ะถ้าแบบเจอมือเดียวเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ที่บวชใหม่ๆเนี่ยก็จะเอาเต็มที่อะไมือเดียวฉันกินเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ประมาณในการบริโภ ค, โคไม่มีเทคนิคในการที่จะกินอาหารให้อยู่ได้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยพอตอนสายก็ง่วงละ ใช่ไหมตอนบ่ายก็ยังหิวอีกอย่างเงี้ยก็จะยากหน่อยออเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องมีการฝึกใช่ใช่เป็นขั้นเป็นตอนะะะคะค่แ ล, แล้วต่อไปมีอะไระยังมีลักษณะว่าการฝึกเนี่ยนะคนที่ฝึกไม่เสร็จก็มีฝึกที่ยังฝึกไม่สําเร็จอนะ่ะคแล้วก็ฝึกที่สําเร็จก็มีแล้วก็เป ร, เรียบเสมือนกับผู้ที่ฝึกไม่สําเร็จอย่างเงี้ยนะก็คือว่าเป็นบุคคลที่เป็น ภิกษุใหม่ก็ตามภิกษุปูนกลางก็ตามภิกษุเถระก็ตามที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตายไปซะก่อนหรือว่าศึกลาสิขาไปซะก่อนอย่างเงี้ยเรียกว่ายัางฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปส่วนพวกที่ฝึกเสร็จแล้วนั่นะก็คือจะเป็นภิกษุ ป, ปูนใหม่ก็ตามปูนกลางก็ตามหรือว่าเถระก็ตามที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะก็เรียกว่าฝึกเสร็จแล้วทีนี้เรื่องการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ได้บอกถึงสิ่งที่ไม่ได้สอนนั่นก็คือเรื่องทิฏฐิ10ประการแล้วก็พูดถึงสิ่งที่สอนเอาไว้ที่ไม่สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เวลามีมีคนคนหนึ่งคุณยมเทียว ก, ก็ถูกลูกศรนะถูกลูกศรแทงปรากฏว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยพวกญาติสนิทมิสหายเขาก็เลยเรียกหมอผ่าตัดมารักษาใช่ไหมหมอผ่าตัดมาถึงแล้วก็จะทําการผ่าตัดเอาหัวลูกศร อ, ออกละ่ะ แต่ปรากฏนายคนนี้กับอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งเอาออกฉันต้องการทราบก่อนว่าใครเป็นคนยิงมันพ่อมันชื่ออะไรแม่มันชื่ออะไรมันมาจากตระกูลไหนแล้วก็มันเป็นชนชาติไหนอย่างนี้น ะ, ะแล้วก็วิธีการที่เขาใช้ยิงเนี่ยลูกศร น, นี่เป็นแบบไหนเป็นทาจากเหล็กทำจากดีบุกหรือทาจากลักษณะหัวอื่นๆนะธนูที่ใช้ยิงนั้นทำจากไม้แก่นหรือว่าไม้อะไรนะได้ที่ใช้ยิงขึงธนูเนี่ย เป็นไม้เป็นได้ที่ทําจากเชือกหนังเอ็นบัวหรือว่าเชือกชนิดไหนต้องการทราบข้อมูลพวกนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยถอนลูกศรนนะพุชาบอกว่าอาตายแน่นอนกว่า น, นี้นเะปรียบเสมือนกับคนที่ต้องการทราบเรื่องอื่นๆก่อนที่ไม่ใช่เรื่องอริยสัตว์เนี่ยโอ้ยคุณรู้ไปมันไม่จบอ่ามันก็จะให้รู้เฉพาะเรื่องของอริยสัต์เท่านั้น mm. นี่คือลักษณะคำสอนของพุช า, านะค่ะเพราะว่าพุช า, าเคยพูดไว้นอีกที่หนึ่งว่าโรคเนี่ยไปตามระลึก รู้ถึงสังสารวัตรนี่คุณยมติวมันไม่จบเลยสมมติเรามีชีวิตอยู่ร้อยปีเนี่ยนะตามระลึกอยู่ทั้งร้อยปีเนี่ยก็ไม่จบ<ะ>เพราะฉะนั้น อ, อัจฉริยาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ด้วยว่าเหมือนเราดึงสาวได้ออกมาจากท้องฟ้าอย่างเงี้ยให้ดูซิว่าต้นได้มันจะอยู่ที่ไหนแล้วมันก็สาวมาได้เรื่อยๆๆๆมันไม่มีวันจบ<ะ>ซึ่งยานของผู้เช่าความรู้ความเห็นของผู้เช่าก็จะไปได้เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เหมือนกันนะนะ นี่คือเรื่องของอพุทธวรรบความสามารถในเรื่องการสอนเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็เท่ากับว่าวันนี้ส่วนเรื่องของอ ร, ร, ร, ริยสัจสี่ก็ยังมีเรื่องอริยสัจสีต่อเรายัางอยู่ในหมวดของความเหตุ ข, ของความทุกข์คือตัณหาที่เราพูดอยู่ถึงเมื่อวานนี้ก็คือว่าตัณหาที่มันมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไงเราพูดถึงเรื่องของการทางานกันเป็นระบบระบบ ใช่ไหมที่ไปถึงอวิชาบ้างกลายเป็นความทุกข์ต่างๆบ้างอย่างเงี้ยนะผู้เชี่ยวเคยเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าเหมือนกับสัตว์ที่เกิดตัญหาและเกิดทุกข์เนี่ยอาการที่สัตว์เกิดตัญหาเกิดทุกข์เนี่ยผู้เจ้าเคยอธิบายไว้ในระบบของมนุษย์ที่ลงมาเกิดในขันด้วยเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากคือเหมือนกับว่าแม่อยู่กับพ่อใช่ไหมแม่มีประจําเดือน แล้วปรากฏว่าก็สามารถมีมีบุตรได้บุตรเนี่ยที่ยังอยู่ในคันเนี่ยปรุชาใช้คําว่าปฏิสนธินะคือมีการมาปฏิสนธิแล้วนะสอย่างนี่ต้องมาอยู่พร้อมๆกันนะคือถ้าพ่ออยู่กับแม่แต่แม่ไม่มีประจำเดือนอย่างเงี้ยยังไม่อยู่ในวัยที่เจริญพันธุ์เนี่ยก็ไม่สามารถมีบุตรได้เพราะฉะนั้นะพอเหตุ3อย่างนี้เกิดเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะมีการปฏิสนธิของสัตว์ในคันได้ก็คือมนุษย์ธรรมดา ทีนี้พอมาปฏิสนธิแล้วพระเจ้าก็อธิบายต่อว่าแม่เนี่ยนะย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในคันนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงนะเป็นภาระหนักตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็บำรุงบำรุงเลี้ยงนะบุตรคนนี้ด้วยโลหิตของตนเองนะก็คือหมายถึงน้ำนมของมารดนั่ น, นเองนะแล้วพอทารกนี้จเจริญไวขึ้นมาลมีอินทรีย์อันเต็มที่ละ เล่นของเล่นสําหรับเด็กได้เช่นรถไถน้อยเล่นหม้อข้าวหม้อแกงอย่างเงี้ยนะสมัยนี้เขาเล่นอะไรกันนะคุณยมเตียวรถบังคับม<ว>ิเตียวเาเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นของเล่นน้อยๆกังหันลมอะไรต่างๆในสมัยอาตมาเขาเล่นเขียนลูกเขียนลูกล อ, อกกันพอพวกทารกเนี่ยเจริญโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ละก็จะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกก็จะเป็นมีความเพลิดเพลินยินดีเข้าไป ก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปทานอย่างนี้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับอีกในยันหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อวานคือเรื่องของผัสสะใช่ไหมว่ามีผัสสะแล้วก็จึงมีเวทนามีเวทนาก็จึงมีตัณหานั่นเองซึ่งการอธิบายตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าโอ้มารดาเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่บํารุงเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วก็ให้การเจริญเติบโตแล้ว ตัวปัญหาจริงๆมันคือผัสสะนั่นเองที่เรา <Okay. S 1> ต้องมีการกระทบทีนี้ถัดไปในเรื่องของอริยสัจสก็คือว่าตัานหาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับของหนักเหมือนกันของหนักเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงขันธ์ทั้งห้าที่ยังมีอุปทานติดอยู่ <Okay. S 1> นะคืออุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะหมายความว่า ถ้าขันที่ไม่มีอุปทานติดอยู่นะก็ไม่เรียกว่าของหนักค่ะแต่ขันที่มีอุปทานติดอยู่จึงเป็นของหนักอย่างนี้แล้วก็ยังเปรียบเหมือนกับพรานเบ็ดนะซึ่งในพรานเนี่ยเขาซัดลงไปในห่วงน้ําลึกนะปลาที่เห็นแก่เหยือ่อตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วปลาตัวนั้นเสร็จเลยเสร็จในพรานเลยในพรานจะทําอะไรอะไรก็ได้แต่พี่เจ้าก็เปรียบเหมือนกับความที่ เราถูกเกี่ยวด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเราจะถูกดึงไปทางตาทางหูทางจมูกอย่างเงี้ยถ้าเรามีความเพลิดเพลินกำนัดยินดีในในสิ่งนั้นนะเราจะถูกเหมือนกับในในใ น, นักตกปลาเขาเกี่ยวมันไปใชค่ค่ะนะคะนี่ก็หน้าคิดมากคือเหมือนกับว่าเหตุของความทุกข์ที่ท่านกาลังพูดอยู่นี้ถูกไหมคะสมุทยัยคือเหตุของความทุกข์ แล้วก็อธิบายรายละเอียดก็คือตันหาแล้วอธิบายต่อโดยบอกว่าขันเนี่ยไม่มีอะไรเราถ้าไม่มีอุปทานไปเกาะเกี่ยวอืแต่ถ้ามีอุปทานไปยึดที่ขันปุ๊บขันนี่ก็คือที่ท่านพูดตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่เรียกอีกอย่างนึงว่าขันเป็นอันเดียวกันน ะ, ะค ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชขันนี่คือหมายถึงรูปเบชนะสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาต่อใจค่ะแต่ดิฉันกําลังจะกราบเรียนว่ารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าจะพูดไปจริงๆเนี่ยอ มันก็มารวมลงอันเดียวกันไม่ใช่หรออ๋อใช่ใช่ใช่คือ<ช>หมายความ<ช>ว่าในในร่างกายของเราเนี่ยคือส่วนที่เป็นรูปใช่ไหมมันก็จะนํามาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายค่ะอย่างนี้นะอถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงในเรื่องของตัณหาเนี่ยคือว่าจิตคนไหนก็ตามนะคุณโยมติว๋วถ้ายังมีตัณหาอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะซ่องเสพเศนาสนะอันสงัดนะอยู่คนเดียวมีเสียงรบกวนน้อยเป็นที่ทําการรับของมนุษย์ ถึงแม้จะอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่ายังมีเพื่อนอยู่ดียังไม่ได้เรียกว่าอยู่คนเดียวเพราะว่าตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนของเราถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวในรถเงียบๆคนเดียวเลยไม่ได้เปิดเพลงเปิดอะไรด้วยคุยกับตัวเองไหมบางทีเราพูดกับตัวเองนะค่ะนั่นแหละคือเพื่อนสองของเราคือนึกไปตลอดเลย<อ>ที่ไม่เปิดวิทยุเราเพราะอยากจะนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีสมาธิใช่ ยมันคือ ม, มีตันหาแล้วค่ะเอคะนั่นคืออาการของคนคือคนที่มีตันหาเนี่ยจะมีการเกาะเกี่ยวอารมณ์ในลักษณะนั้นไงก็<ช>จะนึกไปเรื่อยเลยวิงว่งไปเรื่อยเลยแต่คนที่ไม่มีตันหาตันหาหมดแล้วเนี่ยนะถึงแม้จะอยู่กับคนหลายๆคนจิตเขาก็สบายนะคือเป็นผู้ที่ชื่อว่าอยู่คนเดียว ค, นะคือไม่ไหลไปตามอารมณ์ได้ว่างั้นเต๋อค่ะ ถ, ถ้าพูดให้ชัดๆธนูฟังกำลังรอฟังอยู่ค่ะอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีตันหาเนี่ย อยู่อาการไหนคะก็เหมือนกับพระอาาราันทั่วไปยังอยู่ในวัดอยู่กับหมู่คณะเทศแสดงธรรมได้คนรุ่นก็มาถามปัญหาบ้างอะไรต่างอม่ีอย่างพุทธเจ้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวแสดงธรรมกับเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีต่างน า, นานาแต่ก็ยังเป็นผู้เหมือนอยู่คนเดียวด้วยใจที่สบายอยู่คือเพราะไม่มีตัณหาในใจค่ะคือไม่มีการไม่มีอุปทานไปยึดในขันถูกต้องนะคะเพราะเวลาหมดแล้วดิฉันต้องสรุปแล้วล่ะค่ะ รรมรสการขอบพระคุณท่านภพบูลอาพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศเป็นอย่างยิ่งนะคะะจท่านฝั่งที่ครบคะ่ะถ้าฝังท่านไพบูลพูดเนี่ยมาถึงตอนท้ายๆจับจุดให้ดีเราจะสามารถเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมเพื่อนําไปสู่การก้าวหน้าไปเรื่อยๆการก้าวหน้าในทางธรรมนั้นเป็นการก้าวหน้าในการที่เบาลงนะคะคือเหมือนว่าวางได้วางได้วางได้ไดละได้ไม่ยึด ในขันทั้ง5เอาเท่านี้ก่อนตาหูอขอแพลนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อธรรมะเนี่ยสะสมทีละเล็กทีละน้อยจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆหรือจะถามคำถามตรงมาเลยก็ได้นะคะถึงในรายการนี้เหมือนกันที่เพียวธรม .com/ 106่ h ศูนย์หกเพียวธรม .com/ 1 0 6หรือที่ 02-269-00-06 ที่นี022690006ท่านสามารถที่ทั้งทิ้งคําถามก็ได้ทําแนะนําก็ได้จะติรายการก็ได้นะคะหรือจะขอบทพยัญชนะของพุทธวจนะเอาไปศึกษาซิพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรตรัสอะไรในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องวันละสามเล่นพระอาจารย์คริสติโสธิพโลท่านมอบให้คะ่ะวันนี้เราก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ จะงอกงามงอกเงยหรือไม่ในเรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่ท่านนำเอาไปใช้หรือเปล่าพุทธวัตรสวัสดีค่ะ